เขามีลินทับปัญหาเลยในหน้าสองสี่พุทธาลาพันตรายะปัญหาพุทธบวกลาบบวกอันตรายเนี่ยนะกล่าวว่าอันตรายแห่งลาบของพระพุทธเจ้านะนะบอกว่าเออพระพุทธเจ้านี้ลาบของพระองค์อันตรายด้วยหรือนะพระเจ้ามีลินถามว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตพวกท่านกล่าวกันว่า ลาภีตถาคตจีวรบินดปาปตะเสนาสนัคิลานปัจยาเพสั ช, ชปริขารานังแปลว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีปกติได้จีวณบินทบาเสนาสนัคิลานปัจจัยเพสัชบริขารพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ดเป็นของยากอะไรเลยปัจใจสี่สําหรับพระองค์พวกท่านพูดแถลงอย่างนี้ใช่ไหมอีกที่หนึ่งพวกท่านก็ยังพูดกันอีกว่า ปัญจาสาลังบรมณคามังปินดายาปวิสิตาวากินจิเดวะอลพิตตาวายถาโทเตณนะปเตนะนิขันโตแปลว่าพระตถาคตสเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพรามณ์ชื่อว่าปัญจาสาลเพื่อบินธบาตพระองค์ไม่ทรงได้อะไรอะไรเลยสเสด็จออกมาพร้อมกับบาทเหมือนอย่างที่บาทล้างเอาไว้แปลว่าตอนเข้าไปฉันใดตอนขามาก็ฉันนั้นแปลว่าเหมือนบาทล้างไว้ไม่ได้ ล้างไว้ยังน้ําเปือเป้อนๆอยู่เลยนะยังไม่ได้เช็ดบาดเลยยังเข้าไปยังไงก็กลับมาก็ยังงั้นประเด็นคําถามก็ถามว่าพระนาคเซนถ้าหากพระตถาคตทรงเป็นผู้มีปกติได้จีวลบินธบาเสนาสนาักกีฬานักปราชัยเพศสต์บริการจริงแล้วใชถ้าถ้า ถ, ถ้าจริงนะว่ามีปกติได้สิ่งเหล่านี้จริง ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าพระตถาคตเข้าไปยังหมู่บ้านพราหม์ชื่อว่าปัญจสาละเพื่อบินธบาตไม่ทรงได้อะไรอะไรเลยเสด็จออกมาพร้อมกับบาทเหมือนอย่างที่ล้างเอาไว้ดังนี้ก็ต้องเป็นคําผู้ที่ผิดพูดผิดแน่ถ้าหากว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จไปยังหมู่บ้านพราหมีชื่อว่าปัญจสาละเพื่อบินธบาตไม่ทรงได้อะไรอะไรเลย สเสด็จออกมาพร้อมกับบาทเมือนอย่างที่หลังไว้จริงถ้ายอย่างนั้นคาที่ว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีปกติได้จีวนบินทบาศเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารดังนี้ก็ต้องเป็นคาผู้ที่ผิดนะปัญหาแม่นี้ก็เป็นปัญหาสองเงื่อนเป็นปัญหาใหญ่นักเรื่องได้ยากตกแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถอะ คือถ้าเรามาคิดอีกในหนึ่งว่าทำไมทำไมทาไมะจะต้องเคลียร์ใจของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าให้หมดทุกเรื่องทำไมขนาดนั้นอย่างพระเจ้ามิลินเนี่ยนะท่านถือว่าไอความเข้าใจสองอย่างนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะถือว่าถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากสำหรับท่านในความคิดของท่านที่บอกว่าคาหนึ่งพระพุทธเจ้ามีปกติได้ราบอีกคาหนึ่งบอกบินทบาทไม่ได้ สองคํานี้มันขัดกันมันทําให้สงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตะปูตึงใจเจโตขีรธรรมอยู่ห้าประการสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นข้ อ, อความคิดอันหนึ่งแหะที่ห้ามการบรรลุมรรคผลแน่นอนถ้ายังสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ต้องบรรลุ ก, กันแ้ือนนนะถ้ายังสงสัยอยู่ก็ไม่ต้องเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้า เนี่ยยังสงสัยในประเด็นนี้อยู่คือคือต้องเคลียร์ใจของตัวเองจะในในประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะถ้ายังระแวงอยู่ลึกๆยากหมดสิทธิ์นะเพราะอะไรเพราะว่าปจัจจจริงๆแล้วปัจญาประเ ร, ร, ะรหายาเนี่ยต้องละได้แล้วใช่ไหมแต่บางอย่างเนี่ยปัญหาบางอย่างมันละได้ด้วยการสอบถามเนี่ยนะเพราะถ้ามัวสงสัยปั๊บไอความสงสัยเดี๋ยวก็ไหลเข้ามาเดี๋ยวก็ไหลเข้ามาเดี๋ยวก็ไหลเข้ามาใจมันก็ไม่น้อมไปที่จะเชื่อ ไม่น้อมไปที่จะเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเมื่อไม่น้อมใจเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าแล้วจะน้อมใจเลื่อมสายใน in in in in สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือมันก็สงสัยตามระบบไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในพระธรรมถ้าไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในพระสงฆ์ถ้าไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในศิษขา ถ้าไม่เลื่อมใสในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ในศึกขาก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปเลื่อมใสในปฏิสันถานถ้าไม่เลื่อมใสในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ปฏิสันถานก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเลื่อมใสในความไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นระบบไปตามนั้ น, นท่านถือว่าความสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะจะนํามาซึ่งความเสียหายนํามาซึ่งความบันทอนอีกหลายเรื่อง ธนาเกนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิธพระตถาคตเป็นผู้มีปกติได้จีวนบินธบัตเสนาสนะกีฬานะปั จ, จัยเพสัชบริคารเนี่ยจริงคำเนี้ยพูดจริงไม่ผิดรอกข้อที่เสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพรามเชื่อว่าปัญจะสาระเพื่อบินธบัตไม่ทรงได้อะไรอะไรเลยเสด็จออกมาพร้อมกับบาทเหมือนอย่างที่ล้างเอาไว้นั้นเป็นเพราะการกระทาของมารผู้มีบาป ทำมาไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ได้จริงแต่ว่ามีคนที่ขวางลาบอ่ะนะจริงๆก็จะได้อยู่แล้วละแต่มีคนไปขวางก็เลยไม่ได้พระเจ้ามิรินก็ยังสงสัยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะพระขุนเจ้านากเกษตกุศลที่ได้สั่งสมมาตลอดหลายกับที่ล่วงพ้นหนทางที่จะนับได้เชื่อว่าสาเร็จได้แล้วกระไร เอาไหนว่าพระพุทธเจ้าทําบุญมามากมายพระ อ, องค์ก็ทําบุญมามากมายอย่างนั้นอ่ะแล้วบอกว่าบุญนั้นมันสําเร็จแล้วเอาแล้วนี่มันบุญนั้นมันไปไหนล่ะก็ทําทไว้ตั้งเยอะแยะแล้วบุญเหล่านั้นไปไหนแค่มารมาขวางหน่อยเดียวบุญไม่ให้ผลเลยอย่างงี้ยนะพระนาคเษนก็บขอกเขาขอถวายพระพรกุศล น, นั้นถูกมารผู้มีบาปมารที่เกิดได้ไม่นานปิดกั้นเสียด้วยการแผ่กระแสกําลังแห่งอกุศลไป เขเรียกว่ามารเนี่ยนะที่เกิดภายหลังมารตัวนั้นเนี่ยมาแผ่อกุศลมาตัดให้กุศลไม่ให้ผลทนาเกษตรนี่ก็เลยได้ช่องอีกเนี่ยนะไม่รู้ว่าท่านตอบไม่ดีท่าจะเอาคำตอบของท่านเลยมาว่าท่านบอกพระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นในเรื่องนั้นนะมันมีข้อที่น่าติเตียนได้สองเรื่องสองเหตุเขาบอก่านตำหนิกันได้สองอย่างเลยหนึ่งอกุศลก็ต้องมีกาลังกว่ า, ากุศลนะสิสองบอกว่า กำลังของมารเนี่ยก็ต้องเป็นกําลังที่ยิ่งกว่ากําลังของพระพุทธเจ้าสิจริงอย่างนั้นนะก็แสดงว่าปลายต้นไม้เนี่ยหนักกว่าโคนต้นไม้นะนะปลายก็ต้องหนักกว่าต้นสิอย่างเนี้ยคนชั่วมีกําลังยิ่งกว่าคนที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมแสดงว่าคนเลวนี่มันเก่งกว่าคนดีขอถวายพระพรมหาปุถิดอากุศลจะได้เชื่อว่ามีกําลังยิ่งกว่ากุศลเพราะเพียงเท่านั้นก็หาม่ได้ อมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเหมือนกันกำลังมานจะชื่อว่าจะมีกําลังยิ่งกว่ากําลังของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุเพียงเท่านั้นก็หาไม่แต่ว่าเรื่องนี้นะควรต้องการด้วยเหตุผลคือมันต้องอธิบายปรับความเข้าใจกันเล็กน้อยเหมือนกันด้วยเหตุผลก็ไปว่าเราต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยเหมือนกันเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่ง น้อเอาน้ำพึ่งบ้างน้ำตาลกรวดของกำนันอของฝากนะอย่างอื่นทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าจากักรพรรดิคนเฝ้าประตูวังของพระราชากล่าวกับบุรุษคนนั้นอย่างนี้ว่านี่นะนายเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระราชาเพราะฉะนั้นจงถือเอาของกำนันของนายกลับไปเสียโดยเร็วเถิดก่อนที่พระราชาจะราบสั่งให้ลงทันนายลงทันก็คือลงโทษนี ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้านะรีบกลับไ ป, ไปกลับไปโดนแน่เหมือนกันต่อจากนั้นบุรุษผู้นั้นก็สะดุ้งหวาดวันต่อทันตภัยการลงโทษไทไที่เกิดจากการลงโทษก็คว้าเอาของกำนันนั้นกลับไปโดยเร็วขอถวายพระพรพระเจ้าจากกักรพรรดิพระองค์นั้นชื่อว่าทรงเป็นผู้มีกำลังสามยิ่งกว่าคนเฝ้าประตูเพราะเหตุที่เพียงแต่เขาทาให้ของเสียของกำนันเข้าไปเท่านั้นหรือ เขาบอกว่างั้นก็อะไรนะถ้าพูดแบบสมัยให ม, หม่ประธานบริษัทก็สู้ยามไม่ได้สิยามทหารยามหน้าหน้าป้อมเนี่ยมีอํานาจกว่าประธานอีกว่างั้นนี้ก็เหมือนกันบอกเอยงั้นก็ทหารยามเนี่ยก็มีอํานาจยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอสิเพราะอะไรเพราะทหารยามสามารถทําให้ไม่ได้ของกำนันโอใหญ่ขนาดถึงขนาดว่าขวางไม่ให้พระราชาได้รับของกํานันใช่ไหมมันก็แสดงว่า ฐานยามนี่ใหญ่เลยใช่ไหมพระเจ้ามารินก็บอกหาไม่ได้พระคุณเจ้าคนเฝ้าประตูคนนั้นเนี่ยนะเป็นพลมีปกติริษยาจึงขัดขวางของกํานันเสียก็บุรุษคนนั้นย่อมไปทางประตูอื่นทูลกล้าบถวายของกำนันแม้สักแสนเท่าแก่พระราชาได้เลยก็เอาก็ก็เปลี่ยนประตูก็ได้เนี่ยนะฉันใดขอถวายพระพร อ, อุปมาก็เหมือนกันนั่นแหละ มารผู้มีบาปผู้มีปกติฤิสยาจึงดนใจพวกพรามหมณ์คฤหับดีชาวบ้านปัญจ า, ญจาสารเสียก็แต่ว่าเทวดาหลายแสนเหล่าอื่นย่อมถือเอาทิพโอชะอันเป็นอมะตะเข้าไปด้วยคิดว่าเราจะโปรยปลายไปบนพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยืนประนมนมัส ก, การพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่จึงอยู่นะชาวบ้านเขาอาจจะถูกมารดนใจอาจจะไม่ได้คิดใส่บาตแต่มีคนเตรียมใส่บาตไว้เป็นแสน เนี่ยนะไม่ต้องห่วงรอกเหมือนกันพระเจ้ามิลินก็บอกว่าพระกุณเจ้านาเกษตรปัจใจสี่เป็นของหาได้ง่ายสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสุดในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วย่อมเสวยปัจใจสี่คือพระพุทธเจ้ามีบุญถึงขนาดว่าถ้าไม่อ้อนวอนอนองค์มไม่ใชนะ้ลักษณะนั้นนะนะต้องขอร้องกันละ่ะพระพุทธเจ้าจึงใช้ให้ ก็แต่ว่ามานี่มีความประสงค์อันใดยอยู่ความประสงค์นั้นก็สําเร็จได้คือมานั้นทําอันตรายแก่โภชนาหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนั่นเทียวพระขุนเจ้าข้าพเจ้ายังตัดความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ได้ข้าพเจ้ายังเกิดความลังเลสงสยัยคอยแต่จะสงสัยในเรื่องนั้นอยู่ใจของข้าพเจ้าไม่ยอมแล่นดิ่งไปในข้อนี้คือมานตัวกระจิดริททำไมมันยิ่งใหญ่เหมือนว่ามันเก่งขนาด ขวางพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เลยทําให้ยังไม่ค่อยไ ม, ไม่ไม่เลื่อมใสะนะไม่ไม่เชื่อเต็มที่ว่าพระตถาคตทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นยอดของบุคคลผู้ประเสริฐเป็นยอดในโลกพร้อมทั้งเทวดาผู้เกิดแต่บุญกุศลผู้เสมอด้วยบุคคลผู้หาใครเสมอไม่ได้ผู้อันใครๆไม่อาจเปรียบเทียบได้ผู้อันใครๆไม่อาจเปรียบเสมอได้ แล้วยังถูกมารทำเรื่องที่น่าเกลียดบาปต่ำสามหยาบชั่วช้าอนาระยะวิบัติอันตรายแห่งลาบได้ตรงนี้แหละทำให้รู้สึกไม่ไม่อยากเชื่อเลยนะใหญ่ขนาดระดับพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะทำไมมารตัวกระจิตรตัวเล็กน้อยเนี่ยมันยังมาขวางได้แนพระน่าเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปิตอันตรายเนี่ยนะมีได้สี่อย่าง คืออันตรายเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกัน 1. อาทิตฐ์นันตราย 2. อุทิศกันตรายสอุปภคันันตราย 4. ปริโภคอันตรายในอันตราย4อย่างในนะข้อแรกก่อนนะอาทิตฐ์นันตรายเนี่ยเป็นชนับุคคลบางคนย่อมทำอันตรายโพชนะที่เขาจัดแจงไว้โดยไม่เจาะจงบุคคลยังไม่เห็นตัวผู้รับ โดยกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวให้แก่คนอื่นดังนี้อันตรายอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานันตรายลักษณะของอธิษฐานันตรายเนี่ยเช่นใช่ไหม อ, อย่างคนเนี่ยบางคนเนี่ยเตรียมของจะให้ทานอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้อย่างคิดจะให้ใครหรอกอุ้ยให้ทานทำไมเสียข้าวเสียของอะนะก็มีคนที่คอยขวางเ อ, อ้ยนี่ให้ให้ของอันนี้ทำไมเอาของเร็วๆไปให้สิอันนี้ไม่ต้องให้หรอกเป็นต้นแค่ว่า แค่จัดเตรียมเนี่ยนะจัดเตรียมของที่จะให้ทานก็มีคนมาเก็บออกไปนะบอกอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอทิษฐานันตรายอธิบายว่าอัธิษฐาันตรายก็คืออันตรายแห่งโภชนะที่เขาเตรียมไว้ยังไม่เห็นตัวผู้รับก็ยังไม่ทราบว่าใครผู้รับนี้เป็นใครสมณพราหมณ์ผู้ใดามาถึงก็จะถวายให้มอบให้แก่สมณพราหมณ์ผู้นั้นโดยไม่เจาะจงบุคคล เคยเตรียมอาหารทําบุญไหมลักษณะนั้นนะที่แรกก็เตรียมหลายๆอย่างก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาถึงก็โอ้อันนี้ไม่ให้ไม่ให้ใหก็อะไรก็แล้วบางทีอาจจะไม่ได้ว่าถึงขนาดบอกเลิกให้บุญเลยนะบอกเลิกทําบุญเลยแต่เพียงว่าอะไเอาของบางอย่างคืนอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้อันนั้นให้อันนี้ไม่ให้เป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าขัดของทาบุญเขาบอกงันเถอะอันนี้แหละเรียก บ, บุคคลบางคนทําอันตรายแก่โภชนะคือทําการขัดขวางไม่ให้โภชนะนั้นตกถึงมือผู้รับ โดยกล่าวแก่ทายกผู้ถวายว่าประโยชน์อะไรแก่การเที่ยวให้แก่คนอื่นเล่าผู้ไม่ใช้เรี่ยวแรงไม่ใช้ความประสงค์ของตนเกียรติครั้นในกิจเกี่ยวกับการไถหว่านเป็นต้นสมควรที่ผู้อื่นจะต้องคอยเลี้ยงดูอีกหรืออย่างเงี้ยก็คือบอกว่าอุย้ยไปให้ทําไมพวกขอทานเป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็กล่าวดูมินเยีดยดญามไม่ต้องไปให้ร้อยพวกขอทานมันก็ทำไมต้องทํามาหามันต้องทํามาหากินเองสิมือแขนมันก็มีเป็นต้นเนี่ยนะ มาบวชทำไมอะไรเป็นต้ น, บ า, นบางคนเขบอกบางคนนี่เขาว่างันนะบวชทําไมยังก็ว่าไม่มีทางไปไม่มีที่ทํามาหากินหรือยังไงทําไมต้องมาบวช ด, ด้วยอะไรเขาก็ต่อว่าต่อขานกันแล้วแต่จะนึกมาได้เรื่องไปเลี้ยงมันรอกพวกนั้นอะไรกันในที่สุดก็ปฏิเสธที่จะให้ทานอันนี้เขาเรียกว่าอาทิตฐานตรายเนี่ยนะเพเพียงแค่เตรียมของจะทําบุญก็เลยยังไม่ได้ทําเลยเสียหายหมดแล้วหรืออีกในหนึ่งอาจพวกอาทิตฐานตรายก็คือ เตรียมของจะทําบุญเนี่ยนะเดินกําลังจัดอยู่ดีจัดเกือบเสร็จแล้วเดินท่าสะดุดหกล้มหมดเลยของกระจายหมดเลยอดทำเลยพวกนี้ก็กลุ่มอาทิตย์ฐานอันตรายเนี่ยนะเตรียมจะให้อยู่แล้วของหกเสียหายหมดเนี่ยนะหรือไม่บางทีอ่ะเตรียมของไว้ทําบุญอยู่พอดีเลยนะเด็กๆวิ่งมากินหมดยังไงนะของหมดแล้วทําอะไรได้ยังไงลักษณะนี้เขาเรียกว่าผู้อาทิตย์ฐานอันตรายอย่างที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าอุทิศกันอันตรายอุทิศกัอันตรายเนี่ยนะ อุทิศกันตรายเนี่ยหมายคำว่าโภชนะที่เขาจัดแจงอุทิศเจาะจงบุคคลผู้รับในโลกนี้มีอยู่บุคคลบางคนทำอันตรายแก่โภชนะด้วยติเตียนบางคํำนี้นี่เาเรียกว่าอุทิศกันตรายเนี่ยนะก็คืออย่างเช่นอขออภัยที่ว่าอุทิศ ก, กันตรายแปลว่า อันตรายแห่งโภชนะที่เขาตระเตรียมไว้เจาะจงบุคคลความว่าโภชนะนั้นเป็นโภชนะที่เขาเตรียมไว้โดยเจาะจงคือระบุตัวบุคคลผู้รับว่าจะให้แก่บุคคลผู้นี้และผู้นี้เท่านั้นบุคคลบางคนก็ทำการขัดขวางไม่ให้ผู้นั้นน่ะไม่ให้ผู้รับได้รับโภชนะด้วยคำพูดติเตียนผู้รับอย่างนี้ว่าคนนั้นทุศินเลวซามท่านจะให้แกคนเช่นนี้หรือคือเขาไม่ได้ปรึกษาบอกอ้านี่เอาของนี้ไปให้ใคร อ้ยอย่าไปให้นะไอ้คนนั้นมันเร็วหนึ่ง6 7 8 9 10หดดอธิบายซะเออเลิกให้เลยก็มีถ้าว่านะอย่างสมมติอีกคนหนึ่งเออเดี๋ยวจะเอาของนี้ไปให้คนนั้นอ้ยอย่าไปให้เลยนะเขามีตั้งเยอะแยะแล้วทำไมเราต้องให้เขาด้วยเป็นต้นพวกนี้เขาเรียกว่าขวางการให้การขวางการให้อย่างนี้เ็าเรียกว่าอุทิศกตันตรายอุทิศกตเนี่ยแปลว่าเจาะจงกนะ็คือของที่ให้อันตรายต่อการให้เจาะจง สมมติว่าเราอยากจะให้ของเอาเอาของไปฝากใครสักคนหนึ่งไงแม่บ้านเอาของไปฝากเพื่อนบ้านพอบ้านก็เอ้ยให้ทําไมอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็เลิกให้ไปหรือพ่อบ้านคิดจะให้อะไรสักอย่างแก่ใครแม่บ้านก็ถามไม่ให้เป็นทําไมอย่างงั้นอย่างนี้นนนกันเลยเลยอดให้เลยลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าอุทิศกันตรายไอ้ทำว่าเสียหายยังไงวะไอ้การห้ามคนอื่นให้เนี่ยเป็นบาปไหมบอกว่าเป็นใครที่ห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยนะ โดยจริงแล้วประสบบาปสามข้อในตัวเลยอภิมงคนสามข้อทันทีเลยนะหนึ่งคนรับก็อดลาบสิเกือบจะได้ลาบอยู่แล้วอดเลยอยังไงเนะี่ยข้อสองคนให้ก็อดบุญเพราะว่าไม่ได้ให้บุญไม่ได้ทําบุญข้อสามไอ้คนที่ห้ามเนี่ยประสบบาปเป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็เลยได้บาปสามอย่างเลยนะเสียหายมากวันการที่เขาไม่ได้ปรึกษาเขาไม่ได้ถามแล้วไปออกความเห็นเนี่ย โดยมากน่จะเดือดร้อนนะบาปมันอยู่แถวๆนี่แหละลิ้นตวัดไปตวัดมาสองาครั้งเท่านั้นแหละเหมือนปลาตวัดเบ็ดนั่นแหละงับเดียวเขาจ้เรียบร้อยเนี่ยนะสันใดคําพูดบางคําก็เหมือนการที่อย่างคนนั้นเขาบอกเขาจะให้ของแก่คนนั้นคนนี้ทางพระวินัยเนี่ยไม่ได้เลยนะพระวินายเนี่ยบัญญัติไว้เลยเช่นว่าถ้าเขาเจาะจงนะเขาเจาะจงวันนี้เขาจะเอาขนมเนี่ยไปให้แก่คนนั้นบอกอย่าไปให้เลยคนนั้นให้แก่คนโน้นเป็นอาบัติอีกข้อหนึ่งะนะ แค่แค่ว่าเปลี่ยนผู้รับเท่านั้นนะนะถ้าเขาบอกเขาจะเอาของอันนี้ไปให้บอกอุ้ยไปให้เลยอย่างงั้นมันเร็วย่างงั้นมันไม่ดีหรอกให้คนนั้นดีกว่าเขาต้องการเขาเดือดร้อนอย่างงี้ยนะอันนี้ก็ ก, ก็ก็ไม่ดีล่ะก็เหมือนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเอายาไปถวายวัดที่หนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งบอกอุยอย่าไปให้เลยเอาไปแล้วเขาไปทิ้งไปคว้างอย่างงั้นอย่างเงี้นนยไปให้ที่นี้ดีกว่าถ้าเขาทําตามนะนะเป็นนะมัน คำพูดนี่ต้องระวังมากๆเลยทับๆๆโดยเฉพาะพระพิสูจน์นี่เป็นอาบาัตเลยข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งบอกอย่าไปให้นั้นเลยให้อัตมาดีกว่าอัตม า, าต้องการพอดีอันนี้เป็นอาบัติอีกข้อหนึ่งหนึ่งนะคือเรามีอยู่สองข้อในกรณีที่เราวันหนึ่งน้อมลาบของอของส่งมาเพื่อบุคคลหรือว่าน้อมลาบอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งอะไรเนะี่ยเขาจะมีอาบาัตรรองรับอยู่วนๆอยู่แถวเนี้ยเกือบสิบสิ่ขาบทเนี่ยนะวนๆอยู่เกือบสิบข้อเกี่ยวกับเรื่องห้ามห้ามเรื่องบอกบอกเรื่องอะไรเนี่ยมัน วจีนะวจีเนี่ยนะถ้าถ้าเราก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะการไปห้ามบอกเออจะให้คนนี้บอกอย่าไปให้เลยคนนี้และคนที่เขาสมมุติว่าเขากําลังได้จะได้ต่อหน้าต่อ ต, อตาเนี่ยเขาจะไปคิดอะไรอย่างไงนะเนี่ยอย่างข้อที่สามเนี่ยอุปปัคันตรายเนี่ยนะอุปปัคตันตรายเนี่ยบอกว่าโภชนะที่เขาตระเตรียมไว้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้รับยังไม่ได้รับมีอยู่ในโลกนี้หมายความว่า เตรียมไว้แล้วและผู้รับก็มาถึงแล้วแต่เขายังไม่ได้รับบุคคลก็ทำอันตรายคือทำให้เกิดการแคลงใจแล้วก็พูดติเตียนในโพชนะนั้นชื่อว่าอุปัคขะตันตรายอุปปัคกันตรายก็คือแบบว่าผู้รับมาแล้วเนี่ยเรียกว่า จ, จัจัดมอบให้เรียบร้อยกำลังจะมอบให้อยู่พอดีเลยนะคนที่สามโฉบเข้ามาเลยแล้วก็ เล่าถึงความเลวไอคนรับต่อหน้าต่อตาของคนจะให้นั่นแหละเล่าไปเล่ามาคนให้เลยเปลี่ยนใจเลยไม่ให้ดีวกว่านี่เรียกว่าอุ ป, ปักขะตันตรายเนี่นะอันตรายเพราะเพราะการไปห้ามส่วนอย่างที่สี่เรียกว่าปริโพคันตรายปริโพคันตรายนี่เป็นฉไนก็คือ ในคราวที่มีการบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในโลกนี้บุคคลบางคนทําอันตรายโดยการใช้คําพูดติเ ต, ตียนทําความกลัดกลุ้มใจให้เกิดขึ้นในการบริโภคนั้นชื่อว่าปริโภคอันตรายเคยไม่กําลังทานอาหารเกือบจะทานกําลังอร่อยได้คําหนึ่งอนะมาพูดสักแหมแทบคลายทิ้งเลยนะอาหารประเภทนั้นน ะ, นะบางทีก็อาหารชอบๆเลยใช่ไหมแต่แหมมาพูดสะแทบแทบจะคว่ำจานทิ้งเลยนะบางคนเนี่ยใช้คําพูดขนาดนั้นได้อ่ะ นะไม่รู้ว่าไวเรียนคําพูดมาจากไหนไม่ทราบนะนพูดซะจนเข้ากําลังหิวหิวอยู่หายหิวเลยนะไม่คิดจะบริโภคอันนั้นเลยคิดว่าเป็นอันตรายต่อการบริโภคเนี่ยนะอย่างอะไรนะคล้ายๆกับบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยนะมีโวหารวา่าถ้าลูกกําลังกินข้าวอยู่อะไรอะไรเนี่ยนะพูดซะไม่กี่คำเนี่ยลูกลูกเดินหนีไป เ, เลยก็มีลักษณะนี้เขาเรียกว่าบริโภคอันตรายนะี่นะอันตรายในการบริโภคเนี่ยนะเขากําลังจะทานอยู่แล้วพูดซะอันตรายหมดเลย อันนี้อธิบายเพิ่มอีกนิดหน่อยบอกว่าอันตรายแห่งการบริโภคความว่าผู้รับได้โภชนะนั้นแล้วกําลังจะบริโภคบุคคลบางคนก็มาทําอันตรายคือขัดขวางการบริโภคด้วยคําพูดตําหนิผู้รับบ้างตําหนิผู้รับอ น, นะแค่ว่าอย่างคล้ายๆว่าให้ไปแล้วก็ด่าไปเนี่ยนะหนึ่งตําหนิโภชนะนั่นแหละบอกโอ้ยเขากําลังทำอยู่แล้วใช่ไหมโพชนอาหารนี้ไม่ดีเขามีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เรื่องจริง เขาเมย์เขาคนหนึ่งเขาชอบกินขนมจีนมากบอกอุ้ยมันอร่อยร่อยน้ํายาอย่างดีอยังงั้นยังงี้นะก็อร่อยนะเขามีอีกคนเนี่ยบอกโอ้ยทานไปลงได้ยังไงเนี่ยมันน้ํายาเนี่ยเขาทํามาจากสุนัขเขาบอกงั้นแค่นั้นแหละอาเจียนหมดใต้หมดพุงตั้งแต่นั้นเลิกทานไอ้ขนมจีนเนี่ยเรียกว่าสมาทานอย่ากันตลอดชีวิตเลยเขาบงั้นเพราะว่าคือคือไอ้ตอนที่อาเจียนออกมามันออกทางจมูกด้วยเนี่ยมันตอนเข้ า, ามันทางทางทางปากวาเจียนตั้งแต่นั้นมาเลิก บอกทานขนมจีนไม่คนนิ้วแทบจะปิดหูเลยนะไม่ต้องการโดยประการนั้งกรวงนะันก็ได้ว่าพวกนี้ก็ได้ว่าทำอันตรายต่อการบริโภคเรียกริโภค ร, ริโภคันตรายเนี่ยนะอธิษลบว่าอันตรายมีสีอย่างน ะ, ะคือประเด็นของคำถามมีอยู่ว่าตัวในครั้งหนึ่งที่บอกว่า พระคุณเจ้านากเกษณปัจจัย4เนี่ยเป็นของหาได้ง่ายสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสุดในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วย่อมเสวยปัจจัย4ก็แต่ว่ามารผู้มีความประสงค์อันใดอยู่ความประสงค์นั้นก็สําเร็จได้คือมาร น, นะต้องการอะไรมารก็ทําได้สําเร็จจริงเช่นมารเนี่ยทำอันตรายแก่โภชนาหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนั่นเทียว คือมานี่มันเก่งกาถึงขนาดทำอันตรายอาหารพระพุทธเจ้าได้พระคุณเจ้าข้าพเจ้ายังตัดความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ได้คคอคืออาการขัดขวางเนี่ยเชื่อแล้วว่าเออมานอาจจะขัดขวางได้แต่จริงๆไม่เชื่อถ้าหากว่ามานขวางได้จริงมาข้าพเจ้าก็สงสยัยไม่ยอมรับใจไม่เล่นไปเลยว่าพระตถาคตทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นผู้ยอดบุคคลผู้ประเสริฐ เป็นยอดของโลกพร้อมทั้งเทวดาผู้เกิดแต่บุญกุศลประเสริฐผู้เสมอด้วยบุคคลหาใครเสมอมิได้คือพระองค์เสมอแต่กับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นผู้อันใครๆไม่อาจเปรียบเทียบได้ผู้อันใครๆไม่อาจเปรียบเสมอได้แล้วยังถูกมารทําเรื่องที่น่าเกลียดมารทําเรื่องที่ต่ำทรามชั่วช้าอนาระยะวิบัติทําอันตรายแห่งลาบออกไปได้เนี่ยนะอันนี้แหละทําให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเลื่อมใสเลยเหมือนกัน สรุปว่าพอเพราะพระนาคเกษก็เลยอธิบ า, บายบอกอันตรายนี่มีอยู่สี่อย่างนะข้อที่มารผู้มีบาปดนใจพวกพราหมครือหาบดีชาวบ้านปันจะสาระใดข้อนั้นเนี่ยจะเป็นอันมารได้ทำอันตรายการบริโภคของพระผู้มีพระภาคก่อหาไหมจะได้เป็นผู้ทำอันตรายในโภชนะที่เขาตระเตรียมไว้แล้วซึ่งผู้รับยังไม่ได้รับก่หาไหมจะได้เป็น การทําอันตรายในโภชนะที่เขาเจาะจงอุทิศเฉพาะพระองค์ก็หาไม่เพราะอะไรเพราะชาวบ้านนั้นยังไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังไม่เสด็จมาผู้ยังเสด็จมาไม่ถึงคือมาเนี่ยนะทำอันตรายข้อเดียวเท่านั้นนะไม่ได้ทําอันตรายข้ออุทิศกะตันตรายเนี่ยนะกับอุปปัชชะตันตราย ปริโภคันตรายเนี่ยนะอันตรายข้อสองสามสี่เนี่ยมารทําไม่ได้แต่ว่าเพราะชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาเตรียมอาหารเขาก็เตรียมไว้อย่างนั้นตามปกติของคนที่มีอัธยาสัยให้ทานเขาไม่ได้แตเตรียมให้พระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้ามาเขังก็การกระทําของมารข้อนั้นหาได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นก็หาไม่ แต่ทว่าในสมัยนั้นพวกนิครนทั้งหลายทั้งปวงผู้มาถึงแล้วก็ไม่ได้โภชนะในวันนั้นประมาณสิงทําให้วันนั้นเนี่ยก็ใครไปบินฑบาตบ้านนั้นก็ไม่ต้องชันกันละว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพมองไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งมารพร้อมทั้งพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวด า, า, า, วดาและมนุษย์ทั้งหลายที่จะทําอันตราย โพชนะที่เขาอุทิศเจาะจงพระผู marvel, ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคือปฏิเสธเลยว่าไม่มีใครทำอันตรายอุทิศกะตันตรายได้ไม่มีแล้วก็ต่อไปไม่มีใครทำอันตรายต่อโพชนะที่เขาตระเตรียมไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคือไม่มีใครทำลายอุปปักชะตันตรายพระองค์ได้ต่อไปอีกบอกว่าไม่มีใครทาลายการบริโภคหรือที่เรียกว่า บริโภคคันตรายเนี่ยนะการบริโภคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเลือกให้เลยมันสรุปนะว่าไม่มีใครทําลายอาหารที่เขาเจาะจงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าไม่มีใครมาทําอันตรายได้สขณะที่พระองค์กําลังบริโภคไม่มีใครทําอันตรายได้เพราะถ้าหากมีบางคนจะพึงทําอันตรายโภชนะที่เขาทําอุทิศเจาะจงพระองค์ที่เขาตระเตรียมไว้สําหรับพระองค์ หรือการบริโภคของพระองค์ทั้งข้อ2 3งสเนี่ยนะศีรษะของผู้นั้นจะพึงแตกเป็นร้อยเสียงหรือพันเสียงเนี่ยนะถ้าถ้าทำอันตรายอย่างนั้นจริงอ่ะนะถ้าใครเกิดไปทำจริงเนี่ยหัวแตกแน่ว่างกันขอถวายพระพรคุณของพระตถาคตอันใครๆไม่อาจขัดขวางหรือขวางกั้นได้มีอยู่4อย่างเหล่านี้4อย่างนะที่ไม่มีใครทำลายพระองค์ได้เลยเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกัน สี่อย่างอะไรบ้างขอถวายพระพรหนึ่งปัจจัยคือลาบที่เขาจัดที่เขาตระเตรียมเจาะจงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าใครๆก็ไม่อาจทําการขัดขวางได้ถ้าสิ่งนั้นเขาเขาข า, ขาตั้งแต่งตั้งไว้เพื่อพระพุทธเจ้าเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีใครทํำลายได้เพราะเพราะถือว่าเป็นบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะที่อะไรก็ตามที่เขาทําเพื่อพระพุทธเจ้าไม่มีใครทําอันตรายได้เลย ข้อสองพารัศมีที่แผลไปประมาณหนึ่งวาทั่วพระสรีระของพระผู้มีพระภาคใครใครก็ไม่อาจทำการขัดขวางได้แม้แต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ส่องมากลกพารัสมีเหล่านี้ไม่ได้ข้อสพภระยานรัตนะคือพระสัพพัญญูที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครๆก็ไม่อาจทำการขัดขวางได้คือคือใครเนี่ยขวาง สัพพัญยุตยาณของพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยที่สุดแม้แต่ความป่วยนอนสมเลยแบานั้นเถอะก็ทําให้พระองค์หลงลืมเผลอไปเบลไประลึกอะไรไม่ออกเป็นต้นไม่มีพันแรกตรัสรู้ฉันใดก่อนปรินิพานก็ฉะนั้นไม่มีใครทําอันตรายต่อพระญาณรัตนาคือพระสัพพัญยุตยานได้เลยจะด้วยเหตุผลใดเช่นว่า ถูกมารครอบงําถูกเหตุการณ์ถูกสถานการณ์มันบีบคั้นทําให้พระองค์เบลอไปเลอะเลือนไปหลงลืมไปไม่มีนะครันเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษว่าไม่มีใครทําอันตรายต่อพระสัพพัญญุตยานได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดชีวิตจะเป็นอย่างไรสังคมสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรทาอันตรายต่อพระสัพพัญญุตยานของพระองค์ ไม่ได้ทีดด่เรียกว่ายานรัตตนาเนี่ยนะแก้วคือยานอันประเสริฐคือสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยไม่ถูกใครขัดขวางข้อสุดท้ายพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครๆก็ไม่อาจทําการขัดขวางได้นี่นะคือคือไม่มีใครทําลายชีวิตของพระผู้แต่เจ้าได้นีนคือพระองค์เนี่ยปรินิพานตามที่พระองค์ประสงค์ไม่ใช่ปรินิพานตามคําสั่งคนอื่นหรือตามที่คนอื่นฆ่าเป็นต้นเนี่ยไม่มี ัชีวิตของพระองค์เน่เนื่องด้วยความประสงค์ของพระองค์ไม่เนื่องด้วยอย่างอื่นทั้งนั้นขอถวายพระพรมหาบพิษคุณหรือฐานะของพระตถาคตอันใครๆไม่อาจขัดขวางได้สี่อย่างเหล่านี้แหลคือหนึ่งนะปัจจัยที่อุทิศพระองค์สองพระศมีสามพระสัพพัญยุตยานสี่พระชนชีพขอถวายพระพรคุณทั้งหมดเหล่านี้เป็นรถอันเดียวกันไม่มีโรคไม่กำเริบอันผู้อื่นโจมตีไม่ได้ เป็นกิริยาที่ใครๆสัมผัสไม่ได้คือโดยเฉพาะพระสัพพัญยุตยานี่นะคนที่ไม่ใช่สัพพัญยูด้วยกันเนี่ยสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่ฐานะขอถวายพระพรมานผู้มีบาปแอบแฝงตัวไม่ให้ใครเห็นจึงเข้าดนใจพวกพรามหมณเครืหาบดีชาวบ้านปัญ จ, จาสาระได้แค่แอบแอบเข้าไปเท่านั้นแหละไม่ได้เปิดเผยตัวอะไรหรอกอะไเงี้ยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าที่ประเทศชายแดนของประราชา พวกโจรต้องแอบแฝงอยู่ตามที่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ให้ใครเห็นตัวจึงปล่นคนเดินทางอยู่ได้ถ้าหากพระราชาทรงรู้เห็นว่ามีโจรพวกนั้นอยู่พวกโจรเหล่านั้นจะพึงได้รับความสวัสดีอยู่หรือหนอหามีได้พระคุณเจ้าพระองค์จะรับสั่งให้จับตัวมาให้ขวานตัดผาออกเป็นร้อยเสียงพันเสียงเสียทีเดียวเนี่ยนะเพราะว่าสมัยโบราณนี่เขาเรียกว่ากลุ่ม นิยมเชื่อกายให้เลียงดูนะว่าทำเป็นตัวอย่างนะพาให้ดูสักศพสองศพเท่านั้นนะที่เหลือก็กลัวกันหมดแล้วนะขอถวายพระพอรอุปมาชั้นใดอุปมาอก็ชั้นนั้นเหมือนกันมารผู้มีบาปเนี่ยนะต้องแอบซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นจึงเข้าสิงใจพวกพราหมเคฤหาบาดีบ้านปัญจะสาระได้จะว่ามันยิ่งใหญ่ได้ยังไงมันแอบเข้าไปว่าไงเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าหญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยต้องแอบซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นจึงคบหาชายอื่นได้ฉันใดขอถวายพระพรมารผู้มีบาปก็ต้องแอบซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นจึงเข้าเสียงใจของพวกพรามณ์ครห บ, บดีชาวบ้านตันจะสาระได้ฉะนั้นเหมือนกัน มหาบพิษถ้าหากว่าหญิงนั้นคบหาชายอื่นต่อหน้าผู้เป็นสามีไซญิงนั้นจะพึงได้ความสวัสดีอยู่หรือสมัยนั้นนะกฎหมายเรื่องนี้ถือว่าโหดมากหาม่ได้พระคุณเจ้าถ้าว่าผู้เป็นสามีจะเพึ่งเคี่ยนตีหญิงนั้นหรือว่าฆ่าเสียหรือว่าปลดให้เป็นนางทาสีอยแบงนั้นปลดภริยาให้เป็นทาสไปเลย ขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนการมารผู้มีบาปต้องแอ บ, บซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นจึงเข้าสิงใจของพวกพรามกฤหาบดีบ้านปัญจะสาระได้ขอถวายพระพรถ้าหากว่ามารผู้มีบาปพึงทำอันตรายของที่เขาทำเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราเรียกว่าอุทิศกะตันตรายเนี่ยนะแล้วก็อุปปัช ตันตรายและสุดท้ายการบริโภคของพระผู้มีพระภาคบริโภคคันตรายถ้าเกิดใครไปทำอย่างนั้นไซหรือมารทำอย่างนั้นไซสีสะของมารก็จะต้องแตกออกเป็นร้อยเสี่ยงพันเสียงแลพระเจ้ามิดินก็บอกว่าพระคุณเจ้าน่าเกษตรมารผู้มีบาปได้ทำจรกรรมข้อนี้แล้วอย่างนี้คือมารผู้มีบาปแอบซ่อนตัวเข้าสิงใจพรามเครือหาบดีบ้านปัญจาสาละ ถ้าหากว่ามารผู้มีบาปนั้นทำอันตรายต่อของที่เขาทำอุทิศเจาะจงพระผู้มีพระภาคที่เขาตระเตรียมไว้สําหรับพระผู้มีพระภาคการบริโภคของพระผู้มีพระภาคสายสีรระของมานั้นก็จะพึงแตกเป็นร้อยเสียงหรือพันเสียงหรือร่างกายของมารจะแหลกลานเหมือนกับกองแกลบ ดีจริงพระคุณเจ้ า, าสาธุพระคุณเจ้านาคเกษมข้าพเจ้าขอยอมรับคําที่ท่านกล่าวมานี้เนี่ยนะคืออธิบายว่ามารเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าแต่เป็นคนที่ทําอะไรแอบแอบซ่อนซ่เท่านั้นแหละไอ้อแอบซ่อนทําลายก็ทําลายเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งแต่ถ้าทําลายสิ่งที่เจาะจงพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็กเดือดร้อนแหละว่างั้น ก็ก็กลุ่มอันตรายเหมือนกันก็เทคนสุจินถามว่าอันอย่างพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยนะพระเจ้าสุปปพุทธะข้อของปะนางพิมพาหรือพ่อของพระเทวทัศ์เนี่ยนะปู่ของอตาของพระราหุลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปบินธบาตถนนสายเนี่ยในในเมืองกบิลพัฒน์เนี่ย พระเจ้าสุปปพุทธะนี่ก็คิดจะขวางขวางหลานตัวเองนั่นแหละหลานหลานด้วยลูกเขยด้วยนั่นแหละเพราะว่าเป็นแค่วันลูกของน้องสาวเนี่ยจะขวางว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีเลยหนึ่งเอาลูกสาวเราไปก็ปล่อยให้เป็นไม่สองบวชให้ลูกชายเสร็จก็เอาลูกชายของเราไปเป็นคู่เวรนะฟันก็ต้องสร้างความเสียหายให้พระพุทธเจ้าทำยังไงดีเนาะมีอยู่วันหนึ่ง รู้แล้วพ อ, องษ์ยังมาบินธบาติสายนี้ให้คนไปดักรอพ อ, องษ์ยัมาบินธบาติสายนี้จริงหรือแกก็เลยบอกเห็นหถนนโบราณไม่ค่อยใหญ่แบบถนนซุปเปอร์ไฮเวย์บ้านเราใชนะ่ไหมมันก็ถนนแบบแคบๆป่ะนะก็เลยตั้งโต๊ะสุราเนี่ยขวางถนนเลยพระพุทธเจ้าก็ไปถึงก็แกก็นั่งกินเหล้าใช่ไหนไม่ยอมให้พระ อ, องค์เดินเสด็จผ่านทางนั้นได้เสร็จ แ, แล้วอามาตเสนาบดีก็มาทูลว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระเจ้าค่ะก็ไม่สนใจพระ อ, องค์ก็กลับ เสร็จแล้วพระเจ้าสุปาพุทธก็ส่งคนให้ไปดูว่าพระองค์น่ยพูดคําไหนออกมาบ้างนี่พระพุทธเจ้าก็แย้มพระโอทยิ้มพระรัศมีที่ออกจากพระโอ์ก็หมุนรอบพระเศียรสามรอบแล้วหายไปแล้วพระนนทก็ถามว่าพระองค์ยิ้มด้วยด้วยเหตุอะไรพระองค์ก็บอกว่าอีกเจดวันเนี่ยพระเจ้าสุปาพุทธเนี่ยจะถูกแผ่นดินสูบที่หน้าปราศาสตอันะอีกเจ็ดวัน ทหารก็ไปเล่าให้พระเจ้าสุปปุทธะฟังอโอ้ยหัวเราะก้าวขึ้นมาเลยปกตินะเราเชื่อนะว่าหลานเราพูดอะไรไมันต้องจริงแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะแกล้งหลานไม่ให้พูดจริงว่าะงั้นเรื่องเอาครั้งนี้ไม่จริงแน่นอนถ้าครั้งอื่นๆนะพูดเรื่องอื่นแน่จริงแต่เรื่องนี้ไม่จริงเรื่องอะไรเราจะไปให้มันธรณีมันสูบอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมรู้เลยอีกแล้วกําหนดวันถ้าไม่กําหนดวันก็ออยังชั่วหน่นี่กําหนดวันให้เราเบ็ดเสร็จยังไงเราก็ไม่ถูกแผ่นดินสูบก็เลยแผนไง ก, ก็เลย เขาก็ขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้นเจ็บอกภายในเจ็ดวันเขก็สั่งให้นักมวยปล้ำเนี่ยนะแบบปลั๊ง บ, บึกเนี่ยอยู่ทุกประตูเลยแล้วตัดบันไดออกด้วยบอกว่าห้ามให้พระเจ้าให้พระราชาลงภายในเจ็ดวันเออมาเข้าไปภายในวันที่เจ็ดนี้ห้ามลงเพราะว่าถ้าเลยไปแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดนะนะสิ้นสุดยังไงก็ไม่ถูกเป็นดินสุบเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยพอวันที่เจ็ดเนี่ยม้าพระราชาตัวหนึ่งพยศมันพยศแล้วม้าตัวนี้มันเกรงใจพระราชาอยู่คนเดียว พระราชาพอได้ยินเสียงมาเท่านั้นก็กวนกวาดนักมวยปล้าที่วางไว้ก็ช่วยกันผลักตกลงมาคนละผลักลักลักตกชัก้นเจ็ดแผ่นดินก็สูบอันนั้นก็ทําอันตรายต่อการเดินบินธบาติของพระพุทธเจ้าเนะนี่ยนะมันก็สร้างอันตรายต่อพระองค์วันนี้ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันมันก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนะนี่ยนะก็บอกอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าใช้ผิดประเภทก็ แสงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเราไปมองด้วยความโกรธ ด, ดูดวงอาทิตย์ด้วยความโกรธเนี่ยนะก็ทำอันตรายต่อเราโดยส่วนเดียวไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อดวงอาทิตย์ฉันใดผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจเช่นใดก็ก็นั่นแหละนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนกลับมาหาตัวเองหมดเลยแล้วไม่ใช่สะท้อนกลับมาเท่าตัวนะเป็นล้านเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นอนะ่ะคูณแล้ว ย้อนกลับมาหาตัวเองหมดเลยทัา น, นถ้าหากว่ามีจิตคิดปร ะ, ประสงค์ร้ายกับพระพุทธเจ้าด้วยเจตนาแม้เล็กน้อยเนี่ยนะบาปทั้งหลายก็สะท้อนกลับมาหาตัวหาประมาณไม่ได้ถ้าปลูกบุญกุศลลงในในใจของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าบุญเหล่านั้นก็หาประมาณไม่ได้สะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะ